เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีปอบใน่ายลูกเสือสำหรับเรื่องหลอนเรื่องนี้เราได้ยิบยกมาจากกระทู้ในพันทิปคอมเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสยองขวัญมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับพี่สาวของผมครับซึ่งเรา เป็นลูกพี่ลูกน้องกันผมขอเริ่มเรื่องเลยนะครับพี่ของผมได้ไปเข้าค่ายลูกเสือกับทางโรงเรียนแล้วพอตกตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมการเข้าฐานซึ่งผมก็เคยไปนะครับมันไม่น่ากลัวเพราะว่ามีเพื่อนเยอะและครูก็จะคอยดูแลพวกเราตลอดซึ่งขณะที่พี่สาว กำลังไปเข้าฐานก็ได้ยินเสียงเรียกของใครบางคนเรียกชื่อเขาว่าเอเขาก็รับขานว่าฮะเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็งงว่าพี่เอฮะกับใครพอเล่นฐานเสร็จก็เข้านอนพี่เอเล่าว่าพอหลับตาไปได้สักพักก็รู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมาก พอลืมตาขึ้นมาแกก็เห็นคนแก่ผมยาวผมขาวหงอกหมดทั้งหัวกำลังนั่งทับที่ท้องของพี่เออยู่พี่เอตกใจกลัวมากพยายามร้องและดิน้นแต่ดิ้นเท่าไหร่ก็ดิ้นไม่หลุดแล้วร้องไปก็ไม่มีใครได้ยินเพื่อนในเต็นท์ก็นอนหลับกันหมดและไม่ทันไรยายแก่คนนั้นก็ยิ้มออกมา แล้วเขบก็ก้มหน้ามาหาพี่เอแล้วพูดกับพี่เอว่าน่าอร่อยนะเนี่ยแล้วยายคนนั้นก็ลุกขึ้นเขามุดเข้าไปในท้องของพี่เอพี่เอตกใจมากร้องเสียงดังแล้วทีนี้เสียงก็ดังออกมาเพื่อนๆต่างพากันตกใจตื่นมาดูพี่เอถามว่าเป็นอะไรพี่เอ ก็ได้แต่ร้องโวยวายครูที่อยู่เวรเมื่อได้ยินก็รีบวิ่งมาดูต่างช่วยกันดูว่าพี่เอเป็นอะไรพี่เอก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนทุกคนตื่นกันหมดครูเลยตัดสินใจโทรตามรถพยาบาลเพราะกลัวจะเป็นสัตว์มีพิษมาทำร้ายพี่เอพี่เอเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดจา พอไปถึงโรงพยาบาลไม่นานพ่อแม่ของพี่เอก็มาด้วยพ่อแม่ของพี่เอถามว่าหนูเป็นอะไรพี่เอก็ไม่ตอบได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวหมอก็งงว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรเลยพี่เอร้องไห้จนเป็นลมสลบไปหมอเลยให้นอนพักที่โรงพยาบาลก่อน ตอนนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วพ่อพี่เอ๋ก็เลยกลับก่อนเพราะไม่มีคนเฝ้าบ้านส่วนแม่ก็นอนเฝ้าพี่เอ๋ที่โรงพยาบาลตอนที่แม่ของพี่เอ๋กำลังนอนเฝ้าอยู่ๆพี่เอ๋ก็ลืมตาขึ้นมาหันมามองหน้าตอนนั้นแม่พี่เอ๋ยังไม่ได้หลับเห็นพี่เอ๋ลืมตาขึ้นมาก็ถามว่าเป็นไงลูก รู้สึกตัวแล้วเหรอพี่เอก็ได้แต่ยิ้มและพูดกับแม่ของเขาว่ามันอร่อยใช้ได้เลยพอพูดจบพี่เอก็หลับต่อแบบหน้าตาเฉยแม่พี่เอกตกใจมากเลยโทรไปบอกพ่อขณะนั้นพ่อก็ยังขับรถไม่ถึงบ้านก็ต้องเลี้ยวรถกลับมาหาแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอให้เช้าก่อน เราจะพาเอไปหาพระอาจารย์กันคืนนั้นพ่อกับแม่ของพี่เอก็ไม่ได้นอนเพราะด้วยความเป็นห่วงลูกพี่เอก็เหมือนคนปกติทุกอย่างหมอตรวจแล้วก็ไม่มีอาการอะไรที่ผิดปกติแต่พอถึงเช้าพ่อแม่ของพี่เอก็พาพี่เอไปวัดพร้อมญาติพี่น้องที่รู้ข่าวก็ตามไปกันด้วยพอถึงวัน ก็ไปหาพระอาจารย์ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าทันเก่งเรื่องวิชาอาคมพอเดินจะไปกราบพระอาจารย์ท่านก็พูดมาก่อนเลยว่ากูเตือนก่อนนะถ้ายังอยู่ในร่างมันกูไม่ปราณีแน่แล้วปรากฏว่าพี่เอจากเป็นคนที่เสื่องซึมก็เปลี่ยนกลายเป็นคนที่แข็งกร้าวพี่เอพูดว่า ถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่อยู่มาได้ขนาดนี้หรอกพวกญาติต่างๆก็พากันงงเพราะพี่เอเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดคำหยาบพระอาจารย์เห็นดังนั้นก็ไม่รอช้าแกยิบขันน้ำมนต์พร้อมไม้เรียวออกมาพอท่านไร้คาถาเสร็จก็ฟาดไปที่พี่เอเรียกว่าเป็นการฟาดเบาๆไม่ได้ทำให้เจ็บเลย แต่พี่เอกลับดิ้นร้องเหมือนใจจะขาดพอแกดิ้นสักพักแกก็หยุดแล้วพูดออกมาว่าดีดีอย่างนี้แหละกูชอบมันจะได้ตายพร้อมกูนี่แหละกูจะเอามันไปด้วยพร้อมเสียงหัวเราะพระอาจารย์หยิบสร้อยคอลูกประคำออกมาพร้อมไร้ค า, าถาพอไร้เสร็จก็เอาไปคล้องคอพี่เอ พร้อมกับไรยคาถาแบบไม่หยุดพี่เอ๋ก็ดิ้นทุรนทุรายญาติๆต่างก็ช่วยกันจับแต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กตัวแค่นี้จะมีแรงเยอะขนาดที่ต้องใช้ผู้ใหญ่ถึงสมคนถึงจะจับอยู่หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็บอกเด็กวัดว่าให้ไปเอาไอ้นั่นมาพูดเหมือนรู้กันว่ามันคืออะไรเด็กวัด ก็ลุกขึ้นไปเอามามันคือไหขนาดใหญ่พร้อมผ้ายันหนึ่งผืนพอเอามาแล้วพระอาจารย์ก็ถอดลูกประคำนั้นออกแทบไม่น่าเชื่อลูกประคำสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพระอาจารย์ยัดลูกประคำลงในไหพร้อมปิดผ้ายัน์และท่องคาถาซ้ำตอนที่ปิดพายันนั้นทุกคน ต่างยืนยันว่าได้เห็นยันโดนกระทุงเหมือนกบกระโดดชนอยู่ข้างในสร้างความแปลกใจเป็นอย่างมากตอนนี้พี่เอ๋ก็กลับมาเป็นพี่เอ๋คนเดิมแล้วพระอาจารย์บอกว่ามันคือผีปอบที่หลุดออกมาจากที่ที่มันเคยอยู่เพราะมีคนไปยุ่งกับภาชนะที่ขังมันไว้มันก็เลยออกมาได้ มันจะเข้าร่างคนที่จิตอ่อนเพื่อกินตับไตไส้พุงถ้ามาเร็วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาช้าก็อาจจะสายเกินไปส่วนหายขนาดเล็กพระอาจารย์ได้ให้เด็กวัดเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าพอกราบลาพระอาจารย์ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับบ้านสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ ถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่แฟนเพจเรื่องเล่าผีหลอนได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะนําเรื่องราวมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับต่างๆอย่าลืม กด Subscribe ช่องเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ